ข้าพระองค์ได้ฟังมาดังนี้พระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าควรให้ทานแกเราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแกศาสดาอื่นควรให้ทานแกสาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแกสาวกของศาสดาอื่นทานที่ให้แกเราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แกศาสดาอื่นไม่มีผลมาก ทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของศาสดาอื่นไม่มีผลมากแต่พระผู้มีพระภาคกลับทรงชักชวนให้ข้าพระองค์ให้ทานแกพวกนิครนข้าพระองค์จะรู้เวลาในเรื่องนี้เองพระองค์ผู้จเจริญแม้ครั้งที่สามข้าพระองค์นี้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 ทานะกะถาศีละกะถาสักะกะถากามาทีนวะกะถาเนกขมานิสังสะกะถาแก่สีหะเสนาบดีเมื่อทรงทราบว่าสีหะเสนาบดีมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศ สามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมัทธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่สีหะเสนาบดีนั้นณนะอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นศรีหาเสนาบดีไดเห็นทมแล้วบรรลุทำแล้วรู้แจ้งทำแล้วยังลงสู่ทำแล้วข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของพระศาสดาจึงกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ สีหะเสนาบดีนั้นทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้ลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไป294ครั้งนั้นสีหะเสนาบดีใช้มหาดเล็กผู้หนึ่งว่าเธอไปหาซื้อเนื้อสด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 ทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของสีหะเสนาบดีประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์สมัยนั้นพวกนิครนจำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวนไปตามถนนสีแยกสามแยกทั่วกรุงเวสาลีว่าวันนี้สีหะเสนาบดี ค่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วนนทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเองครั้งนั้นมหาดเล็กผู้หนึ่งเข้าไปหาสีหะเสนาบดีกล่าวว่าเจ้านายพึงทราบเถิดพวกนิครนจำนวนมาก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 ท่านเหล่านั้นประสงค์จะตําหนิพระพุทธประสงค์จะตําหนิพระธรรมประสงค์จะตําหนิพระสงฆ์มานานแล้วอันหนึ่งท่านเหล่านั้นกล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงส่วนพวกเราไม่จงใจฆ่าสัตว์แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตรลำดับนั้น สีหะเสนาบดีได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงห้ามพัฒตาหารแล้วทรงละพระหัตจากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควร